อยากจะขอความกคุณาให้หลวงปู่ช่วยอธิบายน่อยเพื่อจะได้พิจารณาถึงพิจารณากายนะกายให้ลมเข้าลมผสมเลือดแรงโลภเพื่อพอพิจารณากายพิจารณากายในเวลาลมห้ใจเข้าออกอพิจารณาเวสนาในเวลาลมหาใจเข้าออกเราสวยสุขทุกข์วิโอเบคแล้วก็ตวรวจดูว่า เราดุกวดดูให้ชักว่าเวลานี่เรากําลังหายใจเข้าเราสวยสุดหรือทุกอุกเดือขาระตอบต้นได้เขาเรียกวาเวทนาวัฒนานี่เวลาเรากําลังลมหายใจเข้าออกอยู่จิตของเราของแท่หรือจิตของเราพูมิชาเขาเรียกว่าจิตกลางวัฒนาเวลาเราหายใจเข้าออกอู่เราเห็นความไม่เที่ยงแห่งกายและสวงสาร น้งระหว่างไม่ได้เพราะเขาลมหายใจเขา อ, อกเขาเรียกว่าทำ ม, มามนล้วก็ศาสนาเนตัวเลยลมถ้าถ้าลมมันไม่กลายถ้ากลายมันไมีลมกลายก็อยู่ไม่ได้ต้องแตกลมหายใจเขาออกเป็นกายจะท้องขาผู้พิจารณากายเห็นกายในกา ย, กายก็เรียกว่าเห็นลมหายใจเขาออกผสมเลือดแดงโล่งไม่ก็เห็นตัวของเรากับตัวของเราถูกเห็นตัวของเราก็ได้ ไม่เห็นก็ได้เห็นแต่ลมก็ใช่ได้เหมือนกันคือไม่รู้จะพิจารณาอย่างไากายในกายคือตัวของเราอยู่นี่ใช่ฮะก่อนที่ท่าปู่จะอธิบายอะฮะก็ไม่ได้คิดวึวมีหมายถึงลมคิดว่ามันคือตัวของเรากับตัวของเราเราเป็นยังไงมือเป็นยังไงอะไรอย่างนี้หรือเปล่าไม่ไม่ไม่<า>ไม่ต้องไม่ต้องถ้าอย่างนั้นก็พฟกช้ำตายลมหายใจเข้าออกมันเป็นกายสังขารหรืออะไรถ้ากายไม่มีลมใหายใจเข้าออกกายก็ต้องขึ้นลมบายเรียกว่า พิจนากายในกายในลมหายใจเขาออกพิจนากายในกายแล้วพิลมหายใจเขาออกพิจนาความสวยสุขทุกข์อุเบกขาจะเอาไปพิจณาเวทนาลมหายใจเขาออกพิจนาจิตกล่องใสหรือจิตอยู่ธรรมดาหรือเศรมองอย่างนี้เขาเรียกวิจิตนาวนุสนาเนี่ยลมหายใจเขาออกสวยเวทนาสุขทุกข์อุเบกขาเขาเรียกวิเวทนาวนุสนาแล้ว เราพัฒนใจเข้าออกเข็นออกมาเทื่งองเนี่ยเราัฒนาใจเข้าออกในสิ่งต่างๆพวกเขาเราพัฒนาใจเข้าออกก็เรียกความหมายแล้วก็ศาสนายอยู่แ ล, ล้วแล้วก็เวทนานี่มันหมายถึงความเจ็บปวดนะฮะซุบทุกข์อ <ๆ S 2> ุเบกขาหมายทางนั้นซุป ก, ก็ตามจะเป็นเวทนาอุเบกขาวางเสือก็จะเป็นเมทนามั้งันสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้กับนนแต่พวกนี้หลายเหมืนกัน เข้าใจอืเข้าใจที่ว่าความเจ็บปวดคือความพิจารณาถึงว่าเราปวดเราปวดขาเราปวดแขนอ้ไเนี่ยพิจารณาเวทนาในเวทนาเขสงสัยว่าไอ้ถ้าปวดอย่างนี้แล้วเราจะพิจารณาอะไรยังไงคือไม่เข้าใจ อ, ะอ่ะก็เลยมาเรียนนวัต ก, การถามลกายเป็นแต่สัตว์ว่ากายเวทนาเป็นแต่สัตว์มาเวทนาไม่ชัดไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเป็นเพียงเวทนาเวทนาเท่านั้นพิจารณากายเป็นอารมณ์ว่า กายนี่ปราจว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเป็นเพียงเวทยานุวัตนาเท่านั้นพิจารณาเวทนาคือสุขทุกข์และไสุขไม่ทุกข์เป็นอารมณ์ว่าเวทยนานี่ก็ปราศว่าเวทนาไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเป็นเวทนาหรืวัตนาเท่านั้นพิจารณาใจที่เศร้าหมองเรือป่องแพ้เป็นอารมณ์ว่าใจเนี่ยปราศว่าใจไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขา เป็นเพียงคิดตานโฆษณาเท่านั้นพิจารณาธรรมที่เป็นปุสลหรืออกุศลที่บางเกิดกับใจเป็นอารมณ์ว่าทำนี้ก็สักว่าธรรมไม่ใช่สรรบุคคลตัวตนเราเขาเป็นเพียงธรรมานโฆษณาเท่านั้นโดยใจความก็คือพิจรารณากายลงสู่อนัตตาธรรมเมทนาลงสู่อนัตตาธรรมจิตลงสู่อนัตตาธรรมธรรมลงสู่อนัตตาธรรม เป็นตัวสภาวะกายเป็นตัวสภาวะเวทนาเป็นตัวสภาวะจิตเป็นตัวสภาวะารรมหมายความว่าจะไม่สําคัญว่ากายเป็นเราเราเป็นกายหรือเรามีในกายกายมีในเราจะไม่สําคัญว่าเวทนาเป็นเราเราเป็นเวทนาหรือเวทนามีในเราเรามีในเวทนาจะไม่สําคัญว่าจิตมีในเราเรามีในจิตเวจิตเป็นเราเราเป็นจิตอีกจะไม่สําคัญว่าทําเป็นเราเราเป็นทํา เรามีนะารทำทำในเราเลือกสกายะทิสิห้าสิบยี่สิบเราเท่าที่อ่านหนังสือมา <c oughs> คนที่ป่วยไม่สบายมากๆให้สอนว่าให้พิจารณาเวทนาในเวทนานี่ะนี่ป่วเจ็บป่วยบ้างจะได้ไปพิจารณาบ้างะจะได้รู้วิธีพิจารณาก <c oughs> ็ <c oughs> <c oughs> เลยนมสัสการเรียนทาเพื่อเป็นความรู้ในการปฏิบัติต่อไปทุกสิ่งทุกอย่างเวทนาพอดีอ้าว อดีตคืออะไรคือการเวทนาคิดทำที่ล่วงไปแล้วอนาคตคืออะไรคือการเวทนาคิดทำที่ยังไม่มาถึงปัจจุบันคืออะไรคือการเวทนาคิดทำที่กำลังเป็นอยู่ซึ่งเราเกิดขึ้นเนีก็แพราะไปรบวกได้นนแก่ชักลงสู่อันนี้จังทุกคังอนัตตาเมื่อที่ยังเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่เราไม่ใช่บุคคลถ้าทําการว่ากลายเป็นเราเราเป็นกายเมื่อ ก, กายไม่สมประสงเราก็จะโกรธนี่เราก็จะเสียใจ ถา้ notes, duda, to you ถาสำคัญเวทนาเป็นเราเราเป็นเวทนาเมื people, so so so so ่อเวทนาไม่สมประสงค์เราก็จะเสียใจถ้าจะสำคัญว่าจิตเป็นเราเราเป็นจิตนี่เมื่อไม่สมประสงค์เราก็จะเสียใจถ้าสาคัญธรรมเป็นเราเราเป็นธรรเมื่อไม่สมประสงค์เราก็จะเสียใจหรือดีใจหรืออะไรวางเฉยติดต่อกันอยู่เกิดดับเป็นหมดถึงเรานี่ยักมงถูแต่ลักหมดเกิดขึ้นอะไรพวกใั้นแต่ตายน่าเข้าใจแล้วนะเก่าเก่าอืมอ่า จะพาเพื่อนไปทแล้วก็อาจน้ำแลวก็เดิพาไปเจอที่ข้างล่างทำท่าจะพูดแข่งกันขันกันข้าในจําหาบอกท่านเกียนอาถรราสัญญามันอาถรราสัญญาความเป็นสวยเวงามมันก็ไปแข่งขันกับความสวยความงามนะคนที่สาคัญ่าเที่ยงคนที่สำคัญมาไม่เที่ย ง, ม, า ม, ายงมันจะไปสู้กันนะ คำสำคัญว่าเป็นทุกคำสำคัญว่าเป็นทุกตามมือจริงไหก็เกิดแก่ก็ตายมันจะไปต่อสู้กันนั่นสัญญาต่อสัญญาเสกขุยเสกภพเรีกับส่ญญาเนเนี่เดนโรคโรคเปโรคเสือเรือนนะครับวานนี้เสกขุยเสกภพเื้อบากเชื้อบุท่านอกเสือบากเชื้อบุญท่านบออก เขาไมยังงงอยู่นนในวัดมังเหรอกรรมเนี่ยคืออย่างมดเดียร์หลาจะเป็นเน็กน้อยอเจ๊ตปีแปรปีแปรักนี่นอยู่ในก๊กตะบในวัดยอะนี่สมม ต, ติแต่กรรมส่วนใหก็ขเข้ามาบ้างถ้เก็บบุมบักบุญบ่เนี่ยมันเจ๊ตปืนอย่าดีสมมอะไที่กรรมมันเมื่อโตสิน่นึ่ น, น, นี่บอกไ่ใชเมื่อเมื่อละ มือตืออะไรหนังส <st activities> ือหรอะหนังสือทาคาสอนยอดคาสอนหะไรหรอวะอ้วหายเหมอ้วนก็เราบ่ฉันเขาบอกว่าเด้ร้ายอะไรนี่น้าสมองจำเกินยาอะไรอืมอ้วนยาพวกยา ตัวนี้เนียนเป็นกระบ้านครับแม่บอกน่าบตัวนี้เนีดนน้าบอกแต่ตนหน่ยใชป้องผ้าอือเป็นชุกกป็นชุกนะไรผ้ากันหิ้วขาววันลูกไปผ้ากันหิ้วขาวรือกันไป ฮงต้มยีนนะ้าเขานะ่ะเป็นลูกศิษย์เอาเป็นอันวิชาลูกเสือเอาเขาไม่เรยียลรวมพระคัมภีร์ทุกยุทนะธ์ทุกเมืองน่ะปาดชนะสมบัติสวรสมบัติพมสมบัติในผ่านสมบัติคอยผ่านได้ตามความประสงค์ในทางที่ชอบทุกเมืองเอาโซ่พจะผ่านโดยดวนแลนวมาเกิดแก่เก็ยรายในวัฏฏะสถาน อ, อีก พ่อทั้งพนันธุพางเดี๋ยวคุณเรคุยพระธรรมพระสงฆ์ให้เขาซูพนันธุางง่ายๆยาจะมากเกิดแก่เจ็บตายในวัดตาสงสารน่ารายขันย่างศากหร์พระอธิเสียเมียไตมากนะเดี๋ยไปนั่งพนยาศาสตก์สุดๆขันไหว้ก้อนนี้นนดีคใจบอใจพ่อหน่อม ไวสูงนะไว้เหิน้าดนะองค์เสือนอก็รู้ตามไปจริงแล้วเขปฏิบัติตามเป็นจริงอยู่ในตัวแล้วก็าลดพ้นตามเป็นจริงอยู่ในตัวตอนไหนที่รู้ตามเปนจริงอยู่ในตัวตอนนั้นก็าปฏิบัติตามเป็นจริงอยู่ในตัวตอนนั้นก็รุดพ้นตามเป็นจริงอยู่ในตัวไม่มาหลงอีก นึกถึงถึงความตายจะมาถึงตนว่ามันนึ ก, กว่าตนนจะตายสักทีจะดไม่ได้นึ ก, กว่าตนจะไม่ตายอันนี้มันไม่ขบคืนอันนี้ไม่ขบคืด น, นี่อุจจาระปัสสะที่เราทายอมาแล้วก็ไม่สงสัยว่าเออมันจะมีกินเป็นยังไงกูจะลอ ง, องดมดูเราเข้ามาเด็กสงสยัยมันไม่ขบคืนนั่นอันนี้ ไปแล้วเขไปเป็นดินเป็นน้าําเ ป, ป็นไฟเป็นลมดินที่เธอทั้งหลายเหยียบอยู่นี่มันก็เป็นลุมของเธอทั้งหลายทั้งนั้นธรรมศาสตร์เวลาบอกว่าเป็นธาตุของพวกเธอทั้งหลายที <te> ่เธอหลงมานั่นเองเด็กน้ำก็เหมือนกันเวลาเราเห็นน้ำเราดื่มน้ํเขาเรียกว่าเพิ่มธาตุน้ําเรากินอาหารก็าเรียกว่าเพิ่ธาตุดินเราหายใจเข้าออกเขาเรียกว่าเพิ่มธาตุลมเราห่มผ้าเขาเรียกว่าเพิ่มเพิ่มธาตุไฟนะ เพิ่มกันด้วยคัแต่ว่าการนุ่งห่มก็ปกปิดอวัยวะองสปกผมมันน่าเกียดสองเพื่อการลินกันยุงกันหนาวกันเดดกันความละอายการนุ่งห่มการอยู่ในาที่คมือนกันเพื่ออยู่กันยุง การสับทั้งหลายครับเสือกรับทางมือเป็นต้นหรือสับที่ไม่เขี่ยวไม่งากันพักผ่อน่วนกายประมกันเพื่อบรรเทาทุกข์ของสระพลตายมันเหิีวมันเหนื่อยมันเหนื่อยมันล้าทุกสิ่งทุกอย่างมีแต่ผิดที่บรรเทาอยู่อย่างนั้นใครกะว่านี่ ผ่านไฟแดงโล่นี่มันร่อนมือนี่เอามือนี้มารัดนี่รัดมือนี้มือนี้กวาดนี่ ม, น ม, นมันมันไม่มันไม่มีที่ปงที่วางนี่เปลี่ยนอยู่อย่างนี้เปลี่ยนอยู่อย่างนี้เปลนอย่อย่างนี้มันมี้ระวังปืนนี่มันเหนื่อยยืนเหนื่อยนั่งเหนือ่อยนอนก็เปลี่ยนอิริยาบทกันด้วยต้องลมหาใจเข้าออกก็เหมือนกันเหมือนอันนี้แนะเหมือนผานไฟก็เปลี่ยนอินรยอิยาบทมั น, นมันร่อนมือนี่เปลี่ยนมานี้ไม่มีที่วาง อเทธิบาทจึงได้นั่งท้องกันกันท่านก็บอกว่าสันติความความติดต่อปิดบางอนิจจังขึ้นโกนผมได้อะไรนี้ผมงอกขึ้นเรียกว่าสันติมันงอกขึ้นมันปิดบางอนิจจังการเลียนอิทธิบทมันมันติดบางทุกขังไม่เห็นเหมือนเช่นเมื่อเรานั่งเฉยอยู่มันจึงอยู่มาไหนเดี๋ยวมันจะ การเปลี่ยนอเดียบทมันมันฟิดบังทุกขังมาเห็นทุกคนผู้นั้นเพราะนั่งเหนื่อยแล้วก็ไปนอนซะก็ยืนซะเปลี่ยนไปอย่างนั้นความเป็นต้อนเป็นทอดน่ะฟิดบังอนัตตาคำว่อย่างนั้น ลื้ผมลือฝนเลี้ยฟันกองผมกองฝนกองเล็บองฟันกองหนังฟองเงากองเอ็นกองกระดูกองดินก็เอามาให้กองดินครับลื้อออกทีนี้ลื้อออกคณะสัญญาคณะแหตรงก้อนเป็นท่อนมันเิวางอนัตตาเหมือนท่านท่านึงบอกว่าท่านดินก็แบ่งออกเป็นทานเองเลยฟันหนังเอ็นกระดูกยื่นนันกระดูกว่างหัวใจฟังสื่อตาปอเ้ใบ้าหนอ้ายานเก่าออกมาเป็นกองหนึ่งครับดีเสด็น้องเนื้องือบมข้นน้ตาลงมานังาละมุนน้ไขก้อน้ำมด นี่ก็เอาไปไว้กองหนึ่งก็นี่ค่ลมพัขึ้นบ้างลมรวมแล้วบุนลมพัดลงว้างตาลมในช่องในแท่งลมพัไปตันตัวลมให้ใจแน่นลมให้ใจออกนี่เมาไว้กองลมนนี่ไฟที่ยางกายให้อุ่นไฟที่ยางกายให้ซุดลมไฟที่ยังกให้คนบัวไฟที่บอาหารให้ไวนี่เอาไว้กองสิอื่กองดินกองน้าปองไฟกองลมที่นี่ตัวของเราไม่มีนี่เนี่ยว่าทำลายหาตัวตนเราเขาไมมีใครแล้วที่นี่ นั่นการโฆาความสวยอารมณ์นั่นกสัญญาความสุขนั้นสุกเบียดมัลีกับสังขารนั่นกับวินยาณยิง่งยามักกะขยามักกะว่าพระหันต์ตายแล้วศูนย์ไปถูนักเลงดีสิไปแก้เขามาไม่ไม่อยู่เถียงเลยไม่ลงใครง่ายขยามักะบอกว่ า, วาพระราหันต์ตายแล้วศูนย์ไปถูกพระสารีบุตรถึง ท่สสานอาจาี่บนได้ถามว่าเออเธอเห็นว่าพระรหันต์ตายแล้วศูนย์เธอเข้าใจว่าขันห้านั่นเป็นพระรหันต์หนูขันห้าลูกเวทนาสัญญาสังขาทั้ญญานเป็นพระรหันต์หนูหรือขันอ um ื่นเป็นพระรหันต์หรือนอกอ่าหรือขันห้ารอกตัวของท่านไปเป็นพระรหันต์หนูที่ที่เอาขัน mm, อื่นเป็นพระรหันต์หรือท่านเห็นว่าข pues ันห้าของท่านเป็นพระรหันต์ไม่ใช่อย่างนั้นท้านจะฆา ถ้ามันใช่อย่างนั้นขอให้เธอหาพระหัต์ในกันห้าดูสิแล้วจึงมาตอบเราแล้วจะปล่อยเวลาให้เธอหานั่งกบผมนั่งกบขนนั่งก็เล็บนั่นกบฟันนั่งก็หนังนั่งก็เนือนั่งก็ดีเอ็นนั่นก็กระดูกนั่นก็เอื่อนั่กระดูกนั่นก็ม้ามนั่งกบหัวใจนั่นก็ตับนั่งก็ฟังเสือกปอดอัวใหญ่ตัวน้อยหันใหม่หานเก่าอันนี้ก็เป็นธาตุดินเสียมาเห็นพระหัต์เสียแล้วทีนั้นกบ น้ำดีน้ำเสียดน้ำเลือดเหนืยเป็นคนนน้ำตาเปมานหนามูเนาำลายน้าน้งไฟป้อนน้ำมุดอันนั้นก็เป็นธาตุน้ำไปซะพลังานอเลยมาเห็นที่นี่พลังงาน็เไยมาเห็นนั่นก็ไฟที่รากายให้ปุดไนไฟที่อากายสุดงไฟที่รากายให้กนก็วายนั่นก็ไฟที่เขาอาหารให้ย่อยเป็นเป็นไฟสี่ลมหกเห็นแต่ดินแต่น้าแต่ไฟแต่ลมใช่พันเราเห็นที่นี่พลัรหันในน้าที่นี่นั่นก็วทนาความสุอารมณ์สุขทุกเวี้า นั่นก็สัญญาความจำรูปจําเสียงจํากลิ่นจํารสจําวดจระเข้จาธรรมารมนั่นก็สังขารความปุงมแต่งขึ้นแห่งกิจนึกดีนึกขั่วนึกตลางกางนั่นก็วิญญาณตะกุวินญาณวิญญาณทางดวงตาโสตะวิญญาณวิญญาณทางหูอาศัยรูปวัตถ์เอารบในตาเกิดความรูกขึ้นเนจยกตะกุวินญาณอาศเสียงกอารับหูเกิดความรู้ขึ้นเรียกโสตะวินญาณอาศัยกลิ่นเอารบในจมูกเกิดความรู้ขึ้นเรียกตานนวิญญาณ อาศก็ทบกว่าเพกิดความลกขึ้นจากิวหาวิญญาณอาศัยลมอาศัยสพากระทบกายเกิดความลุกขึ้นายวิญญาณอาศัยคามเจริญเกิดความลุกขึ้นเหนอนวิญญาณอนั้นตะวิญาณเสียอันั้นจักปูวิญญาณโตะวิญาณานะวิญญาณคิวหาวิญญาณกายะอิญามโนวิญญาณเสียพระันก็เลยมาเห็นอยู่ในขั้นห้านี่ทีนีนันทุกคนก็ถามเธอเห็นไหมน่ะเห็นพระหันในข้นห้า นั่งต่เป็นเต๋อสาวกิจเสียนั่นต่เป็นตววเนนต๋อตส า, วกวาคกุลูเสียมเ า, ามเห็นพระกระฆาเมื่อมาเห็นพระละหันอยู่ในขั้นห้าแล้วท่านทําไมท่านจึงยืนยันว่าพระละหันตายแล้วศูนเออเด็วกก่อนข้าพรเจ้ามาลูกพระรัตนเดี๋ยวนี้ข้าพรเจ้ า, ารู้แล้วและข้าพระเจ้าก็ได้ทําพิเศษด้วยพ็จากกิเลสไปแล้วเดี๋ยวนี้ พ้จากความหลไปแล้วทีนี้ผมจะขอถามอยอท่านเมื่อเขาถามว่าพระนาาตายแล้วไปอยู่ที่ไหนท่านจะตอบเขายัางไงก็ผมก็ต้องตอบว่ารูปเวทนาสัญญาเฉียงขานวิญญาณหรือกองนามลูกนั้นไม่เที่ยงมันแตกสลายไปแล้วก็ผมจะตอบอย่างนี้เขาจะาค่าเออนั่นแหละมันถูกแล้วท่านพูดนะ น, นั่น <laughs> อันนี้ไปทำชนึกพระรหันท่านของท่านพระรหันที่ถามผู้ดุจคนหนาวพระองค์นั้นก็สมอยพระรหันเลยไม่ได้สงสัยในกองนาลูกอีกเมื่ได้สันไม่ได้สงสัยาพระรหันตายก็ศูนย์หรือไม่ศูนญไม่ยืนยันเสียแล้วทำที่ทําให้เป็นพระรหันมันจะศูญไปไหนพระนิพพานทำก็ไม่ศูญไปไหนมันมีอยู่แล้วทำเชื่อแม่เกิดไม่แก่ไม่เคี้ยม่ตายก็ไม่ศูนย์ไปไหนแต่ยืนยันพระรหันว่าสู์ มันก็ไม่ถูกเราอธิบายย อ, อกเกินไปศูนย์เป็นบางสิ่งครับศูนย์แก่ไม่โรกไม่โกดไม่โกงหลงอันส่วนท่านอันไม่ตายมีอยู่ครับถ้าตอบอย่างนั้นท่านก็ให้คะแนนอยู่เมื่ไม่ตอบไปแล้วะไปนี่นทีนี่ตัวไปซ้อนแล้วตัวเท อ, อีไปหรอ ท้ายเหตุไเออแต่คนกัางยุ่งสินักถามคนกลางดูส่นี่ท่าททำไมมาให้ลูกคอปท่องด้วยโอ้น่าพอนี้ถึอผ้าไอ้บ่บ่ได้บ่ได้ไปตัวโตบ่ได้ถือกานตัว นิจังผ้ขังนตาเนี่ยโแมนโบแมนของพันิพาเศนเป็นปัจจัยให้เกิดพะนิพาเนี่ยเป็น <and> ปัจจัยให้เบื้อหน่ายเกิดพันิพานโบแมนของเศนโบแมนของพะนิพาโดยตรงเป็นปัจจัยนะันท้าพิจรอันนันเป็นตัวศีลตัวสมาธิตัวปัญญาม่โกงปืนนี่แหตัวมันเป็นเครื่องมือเป็นเครื่องมือทำไร่ทำหลงเป็นเครื่องมือทำไรวามหลงเทา เรียกว่าเข้าม <to pu i rainforest> <g mesan> ันเพิ่มหม้อเราอยู่อันนี้จากทุกครั้งอานาตานะแล้วไปกินจางจืดสน็อกพข้ม้อเราโจทโ่านเบอนายดังระบ้อทานาเข้ามาท่านมาเข้ามเนื้อเือจากอันนีจังทุกครั้งอานาตาย่นย่นเบอรนายเป็นผายานเบอนายต้องเนืออันนั้นไปต้องเนืออันอันนี้จางทุกคั้งอานาตาะัลโหลกับพวกไรต้องมอพี่เจ้หน้าอันนี้จงทุกังอนตามดาทบกัน ว่าเป็นปัจ้ิยากุรนาลทุกวิโฉชละพิงโเป็นสามทัประตก็ตามพระโสดาบันคช่ไหนก็ตามพระจ้กาคามีใช่ยันไหนก็ตามพระอนาคามีใช่นไหนก็ตามก็ต้องที่ยานาอนิจจังทุกรังอนิจาทงนั้นพระโสดาบันกรรมอนิจจังทุกครั้งอาธรเนีนปันวันเถาะมุจักว่าอพะเ้สคนหนเ้ากรรมเว่าะ่ไอเจ้ตัดเมื่อกียังกรรมยังเสีย ส่วนพระอาหนรับเนี่ยกรรมนดแน่้อยหนึ่งพรตีมือสิทธิ์ถงออกเลยอะพระตีมือโจกแล้วคือไม้ไม้ข้อนอย่างไรเนี่ยก็ไม้ควอนว่าอันเมื่อจะค้องในสติวันอ่มือนี่เดี๋ยวได้ตกออกกอนเหรอว่ากมันวนพรุง้มึงเดนลยอะเมาะล้สนบอกเห็นเลย่ท่านาย์่าาว ควมทุกข์ที่เกิดขึ้นสหับของพระของพระโสดาบันนี้ที่ผู้บบความทุกข์ที่เกิดขึ้นเราปล่อยวางได้ในทนี้ยังต่งนปล่อยวางได้บันเท่าได้ไดขมันขมันไกับบัสเธอกับีอ่านหรอพ่อต่างชาพันธุงนี่แหละน้อยนึง ข, ม, ขมันเก็บกับบุกขอในห้อง ข, ข้างเขาก็เรีย ก, กว่า คำมันเครียนในค้นคำมันได้ว่าอืมขอดผู้ใช้บด้วาไปเรื่องว่าคำว่ามักผู้ว่าสันมันรักผู้ว่าก็บอกว่าสืร่วงพอลงเมรว่าสั่งนันมักผู้สาวก็บอกว่าสืรุงพอลงเมบอกว่าสืร่วงโผลลงเมียเจ้าของวันคำมันมักกัได้ว่าคำนั้เขากะไรมันพูดในส่นคนหานบ่ปแล้วว่าจะได้โอกาสท่าน่ยกันอุ่งแล้วแม่นบอกบอกให้เขาเข้าใจง่ายๆแค่นั้นละ ใจใจต้นใจแลาานะธนคาันขามันโยงสี่มันว่อนโงสี่สี่มันว่อนงสี่มันวนขึ้ยู่นแล้คนขึ้นข้นยู่เหลืออันน้นคนเนี่นี่นี่นี่โลกโลกข้างล่างเนี่ยมันุนโยงสี่มันุนโยงสี่มันุนยงสี่มันวนยงสี่มันจับตากหัวสี่พกเรากคนกลงสังคมนโงสี่ มันหมุนยูงสีมันหมุนยูงสีเชื่อมพระโสดาว่าเนี่ยเดินรับปณิย์พระศิท่านนีก็รับเปนไ้พระทา้ามี่เดินมาหอขอบแล้วพระอนาค้พระอนาค้ามี่เดินมาหอขอบไปแล้นี่พระหลานนเดินปุ๊หลงเรานี่เชพระเพระนคนุพี่ฮนี่อันนี้มันหมุนพบ้านผีๆคนคยพี่นราหมุนน้ำมันอัปุตสดนนาผู้โบมิวัดง่ายยนี่ง่ายยอะนี่คาสกจะเดินนี้มานีเดินนี้มานีวัเดนนี้มานี่งก็ไปเรื่อเชื่อว่าตรคุณว่เนะ เร e ื่องประสังมันก I mean, ็บเรื่อนี้ก <laughs> <see> <us> ัอ <laughs> <h Sul> ันนี้ก็ภาพมันกับมนนําเงีงสี่วันเรมันกบมนนงียงสี่ว่าไปไซน์เหรอตอนทหอรเขาเลือดที่อันนี้มันม้วนเ้อามันหงโลกนี่มันมนือข้ามมั่น่กมดนี่ลองสั่นหน้าม้นเอ้ามันอนีจะเรียกว่าเนื้อบุญบาดเออเนื้อบุญบาน้ล่หลงเื้อคล่อมหลงอืมนื้อคหลงเนี่ยเาะนไตอวหกคล่อมหลงเนื้อคลไอมหคหล สว่างว่แล้วเอแม่นว่หน้าปานี่หน้าปานี่ชอบเล่นเล่กบะเดียวฮะบ่เ่ม่งไมเปนกอนปนี่นําเลเนหน้าปานีนี่เล่นเี้ยหน้าปานนีนเีเล่นนาปานี นั่นปะนี่นี่วะมเล็นโทีวีสอนั่งทีวีทีวีดีทีวีีแให้ไม่ให้เลยเออุๆจุดๆคืยดะไรอ่าเงียฮะ้าวัดกับเขาเขียนยังไงเขาเอาตัวสร้างหรืออ้ วัดช้าหน่เขาจะมาให้เป็นอะไรอย่งนีน่ไให้หอยู่ที่เดีเนกตรมันเรือเให้อยู่ที่เดีวัดโมลีันมันมันไปมะเองอกิโลห่าจากเงินเกิโลแต่เศษปูนเลยถวัดี ก็มันเป็นอยู่อันไหนมันสะดวกกว่ากันดินน้ำไฟลมตลอดทั้งที่อยู่ที่อะไรคือขายภาครหนือภาคเหนือเราไปจับการสนอนของพวกเราที่ใจใจสงวนใจเป็นของสงวนป่าสงวนของเราคือว่าผู้จะทำประสงค์อยู่ที่ใจ เราก็สวงวนใจไว้พยายามไม่ให้บาปเกิดขึ้นซ้ำนานิกาบาปที่เกิดขึ้นแล้วให้กุศลเกิดขึ้นซ้ำนาฬิกาสารกุศลที่เกิดขึ้นแล้วให้เสื่อมความเพียรเสียงนี่เป็นควานเพียรชอบมันประกอบให้มีในตนวโดยใจกลางก็คือละบาปบําเพ็ญบุญอยู่ที่กายท่าบุญให้กาย ทำอะไรก็ทำให้ใจทํามุญแล้วเขา้าประโยชน์ที่ใจไม่ได้ตอนเ ข, าข้าคอกยญ้าพงโกและกระเบือ้องเข้าไปหาใจเลยข้มามบาปก็ก็เข้าไปหาใจทำบุญก็เข้าไปหาใจใจเป็นที่พึ่งของใจตําเนินเป็นพึ่งของตนทําเงินจะพึ่งของทำก็มีความหมายอยันเดียวกันพุทธประสงค์ก็ทรงอยู่ที่ใจพุทโธแปลว่ารู้ใจและบาปอมเพบุญ ถ้ามองแปลวทรงหไหยซึ่งว่ะระบาบลำไส้มูลสังโคแปลว่าปฏิบัติระบาบลำไส้มูลตกลงพุทธตัณโงสังโค ก, ก, ก็อยู่ที่ใจที่เดียวแห่งแห่งเดียวกันธนวัตศีรวัตภาวนาวัตก็ลงอยู่ที่ใจไม่ได้อยู่ที่อื่นเส้นก็มีตัวเส้นตัวเดียวตัดเส้นลงที่ใจสมาธิก็ตั้งมั่นอยู่ในที่ใจในทางที่ชอบปัญญาก็รอบรู้ในใจในทางที่ชอบเพราะใจเป็นหัวหน้า เป็นของอากาศและวายกายจะขับไปทางบุญทางหวาปกายกับวายการถ้าขับรถใจเป็นพวกขับรถจะขับไปในทางบูญและทางหวาปก็เป็นมันก็เป็นเรื่องของใจที่จะขับไปเพรตอนนั้นทําให้ลูกอีเหนาอิเหนกับเราเขาไม่รับผิดชอบด้วยและไม่ปฏิเสธด้วยและไมนเป็นพยานให้ด้วยใจเป็นพยานใจใจทํำดีใจก็เป็นพยานดีของตัวใจทําชั่วใจก็ต้องเป็นพยานชั่วของตัว ใจก็ไม่รู world, ้เท no ่าใจใจเอ๋ยใจเอ๋ยเธอได้เคยทำดีไหมเธอได้ให้ทานนักสาธินภาวนาหรือไม่ถ้าใจเคยได้ทํำใจก็ตอบใจได้ถ้าใจไม่เคยได้ทําใจก็โกหกพุกลธใจไม่ได้อีกเหมือนกันนั่นเนี่ยฉนั้นพระบรมศาสตราจึงย่ลงถึงเอกจิตเอกธรรมมโนกุปังธรามะธรรมามโนเิตามโนมายาทำทั้งหลายมีใจเป็นไนอนิยตธรรมะทิโตนารุอนิยตธรรม คือทำอันประเสริฐมีทานวัตศีลวัตรภาวนาวัตรพุทธธรรสงฆ์ก็ทรงอยู่ที่ใจของพวกเธอทั้งหลายนั่นเองของพวกท่านทั้งหลายนั่นเองของลูกลูกหลานทั้งหลายนั่นเองมีหลายอย่างพล้วก็บรลุมรจาสลาบางทีก็บอกว่าลูกลูกหลานบางทีก็บอกว่าเธอบางทีก็บอกว่าท่านทั้งหลายแต่ว่าท่านทั้งหลายหรือลูกหลานหรือเธอก็ตามเป็นคําที่ใกล้คิดของพระองค์พระองค์ไม่ได้ถือพระได้องค์พระองค์ไม่ได้มีพิษมีสงฆ์ จะพูดว่าเธอทั้งหลายก็ไม่เดือดรอนจะพูดว่าท่านทั้งหลายก็ไม่เดือดร้อนจะพูดว่าสูทั้งหลายก็ไม่เดือดร้อนเพราะปรามภาษาสูทั้งหลายอย่างนี้เขารามภาษาสลาก็พูดเหมือนกันพูดแบบพูดแบบลูกหลานไม่ใช่พูดคํายาบลูกหลานบางทีท่านก็พูดก็ตามภาษาในถีนั่นนั่นแต่ในขั้งพุทธการเป็นภาษามคตเป็นส่วนมากแต่เมื่อเรามาแปลออกก็เป็นภาษาไทยบ้าง รัาภาคอีสานว่าภาษาจีนว่ารัชายวนว่าตามพระองค์ขายควาณมัแต่ความหมายก้อนเดียวกันคือละบาบความเป็นบุญละชั่วทําดีครับละบาบควาเป็นบุญมีประมาณเดียวกันละก็ละอยู่ที่ใจทําก็ทําอยู่ที่ใจถ้าละชั่วตอนไหนตอนนี้ความดีตอนนั้นก็มาอยู่ที่ใจถ้าทําดีตอนไหนความชั่วตอนนั้นก็ไม่ได้มาอยู่ที่ใจถ้าทําดีหมดความชั่วทั้งหมดก็หายไปะ ถ้าหมดจากกิเลสกิเลสก็ไม่เข้ามาหายใจก็เข้าสู่พระนิพพานะเรื่องต้นสอนให้ทำมาหายัางชีวิตในทางที่ชอบเรื่องกลางสอนให้แบ่งเวลาออกให้ทําดีสับสนอุจรมานกันไปก็ชีวาตัดไสไหวใจไม่ได้ลมหายใจเข้าแล้วไม่ออกก็ต้องบอกว่าตายลมหายใจเข้า ลมใจออกลมหายใจออกแล้วมาเข้าก็ได้เล่ากอาตายลมหายใจออกไม่เข้าก็ได้บอกว่ า, าตายอีกเหมือนกั น, นในขณะนั้นอย่าว่าใจในชีวิตเนอ ะ, ะ, ะพอบรุกมาสับเวลเดี๋ยวจะเสียไดย้เดี๋ยวแกะเสียใจในภายหลังงูพาร์คนี้เล่นงนคำความดีถือพอปลุกาสเวลามีน้อยนักหนาชีวะของเรานั้นใกล้ๆครับ หน้าข้างใบบัวไม่มีท่านผู้ใดจะมารับรองว่าวันนั้นวันนี้จะตกหรือไม่ฉะนั้นก็เปรียบเหมือนต่ำน้ำําที่ฝนตกลงมาฟกแล้วฟกแล้วกแต ก, แ, แตกสายไปหรือไม่ฉะนั้นก็คล่ายับควันไฟหรือไม่ฉะนั้นก็ค่ายับกระทะดินไม่มีใครจะรับรองได้ว่ากระทะดินนี่วันนี้จะวันนั้นจะแตกวันนี้จะแตก หรือไม่ชนั้ะก็เรียบเหมือนนําข้างใบบัวจะตกในวันไหนก็ไม่มีใครรับรองได้อานนท์เอ๋ยอานนท์เอ๋ยเธอพิจะะารณาความตายอันจะมาถึงเธอนั้นคนระกี่ครังเล้วน้อยตั้งเราจะพลาเออเธอยังประมาทอยู่นะอา น, นนทะ์นะทุกลมหายใจเข้าออกยิ่งดีนะเออพอมาลงมตอบกันด้นี่พวกเราใหม่ๆม่เลยแต่นึกถึงความตายก็เกรงว่าเป็นโชคอันไม่ดีนะ นึสถึงความตายมาบ่อยๆเราก็จะไม่ไว้ใจในโลกสงสารเพราะโลกสงสารเต็มไปด้วยความตายเห็นความตายขณะคิดหนึ่งก็เห็นโลกสงสารแล้วเพราะโลกเต็มไปด้วยความตายเห็นความแก่ขณะคิดหนึ่งก็เหมือนกันก็เห็นโลกรอบหนึ่งแล้วเพราะโลกเต็มไปด้วยความแก่เห็นความเก็บขณะคิดหนึ่งก็เห็นโลกรอบหนึ่งเพราะโลกเต็มไปด้วยความเจ็บมีความหมายอันยาวกันเห็นสิ่งที่ไม่นเที่ยเป็นทุกข์เป็นอนัตตา เกิดคนแรกไปคนแรกแจกกระจายสัญญาณคิดหนึ่งก็เห็นโลกรอบหนึ่งแล้วนั่งอยู่บารังเดียวทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันด้วยอดีตคืออะไรคือแก่เช็บตายที่ล่องไปแล้วอนาคตคืออะไรคือแก่เช็ดตายที่ยังไม่มาถึงปัจจุบันคืออะไรคือแก่เช็ดตายที่กําลังเป็นอยู่นั่นอันเดียวกันอดีตคืออะไรคือสิ่งที่ไม่เที่ยงล่องไปแล้วอนาคตคืออะไรสิ่งไม่เที่ยงที่ยังไม่มาถึงปัจจุบันก็สิ่งที่ไม่เที่ยงที่กําลังเป็นอยู่นั่น อดีตคืออะไรคือพุทธคำสงฆ์อนาคตคืออะไรคือพุทธคำสงฆ์ปัจจุบันคืออะไรคือคุณของพุทธคำสงฆ์ไม่แตกสลายไปไหนไม่ได้ลวกไปไหนเลยคุณพุทธคำสงฆ์เรื่องของกินของมีของส ง, งอยู่ทุกการทุกเวลาพุทธคำสงฆ์สงู่ที่ใจไม่ได้อยู่ที่อื่นเขาสอดอรบกว่าพูดอะไรก็พูดแต่ใจพูดอะไรก็พูดแต่ใจถ้า อย่างนั้นก็จะไปนิมนต์พระมาทําไมครับพูดนะที่แล้วผมก็ตอบเขาว่าเออคนตายไป น, นิมนต์พระไม่ได้แนละ้วก็ต้องคนเป็นไปนิมนต์ก็คือใจเป็นหัวหน้าพาไปนเขาก็เลยคาหยุด <c oughs> ยุดเถียงขอทีนี้ <c oughs> พูดเ่อยเข้าใจง่ายเข้าใจเป็นหัวหน้าถ้าคนตายก็มาพูจะก่อมาได้ใช่ไหม ทำอะไรก็ทําให้ใจจะไปสอนเนี่ยพาเข้าใจพาไปจะมาเข้าใจพามาจะนั่งเข้ใจพานั่งผู้สร้างเหตุสร้างผลก็คือใจเหตุใจอันใดผลใจกว่านั้นเหตุใจที่มีเมตตากรุณาผลของใจก็มีเมตตากรุณาเหตุใจของของใจที่เชื่อมบานหันหันษาผลของใจก็ชื่อมบานหันษาเหมือนกันเหตุใจสงสัยผลของใจก็สงสัยในขณะนั้นนั่น เตุก็ผลมาอยู่อ่างกลางกันพเก้าเหตุนั่งผลก็นั่งเหตุพูดผลก็พูดเหตุฟังผลก็ฟังเหตุเข้าใจผลก็เข้าใจเหตุไม่เข้าใจผลก็ไม่เข้าใจนั่นเหตุก็ผลมาอยู่อ่างกลางพเก้าเมื่อเป็นดังนี้คอยเข้าใจว่าจะทํำสิ่งใดก็ทําให้ตนเองทําให้ใจเองแต่หูจมูกจะทําให้ใจไม่ได้ใจทำให้ใจเองเป็นแต่เพียงส่งเชือไม้ด่วนเท่านั้น ส่งเคลื่อหวออกไปทางตาออกจากพระตาส่งทังใจออกจากพระหูส่งทั้งใจส่วนที่จะรับพิษรับถูกหรือจะรับดีรับชั่วมันขึ้นอยู่กับใจนะเขามีหน้าที่โทรเลขฮะเขาก็โทรเลขฮะส่วนที่จะควรทําไงหรือไม่ควรทําไงขึ้นอยู่กับใจนะถูกไมละ่ะอ่ายิมถูกเข้าใจละเข้าใจเลยก็ตั้งยิ้มทีนี้ <laughs> <laughs> ทำให้ใจนอกจากกายไม่มีอะไดจะทํำให้ใจไม่มีอะไรจะทําดีให้ใจนอกจากใจก็ไม่มีอะไรจะทำเจ้าให้ใจอันใจอัตโนมาถนโถตนเป็นที่พึ่งของตนก็คือใจเป็นที่พึ่งของใจนั่นเองนะครับก็คือทําเป็นที่พึ่งของธรรมนั่นเองพุทเป็นที่พึ่งของพุทธพอพุทอยู่ที่ใจพุทโธไปลู่ใจธรรมโอภ้สส่งไปทั้งลู่ใจ สังโฆแปลว่าปฏิบัติไายนางค้วลามันยาปุยยาตาทวจประสงค์พะขึ้นในพุทธคุณพุทธธรรมสงฆ์นั้นคณพุทธธรรมสงฆ์สงค์พะขึ้นในพระนิพพานอันพิ็นทสุดเป็นที่สุดทุกโดยชอบผู้เลือกสายในพุทธศาสนาเป็นผู้ที่สร้างวารมีแก่กล้ามาแล้วผู้จะไม่เรือกสายในพุทธศาสนาเพราะข้าศๆกับ ดอกบ er ัวอยู่ใต้น้าโลกันตระนรกลอกขุมืดนรกขุมมืดนรกขุมมืดคืออะไรก็คือผู้ที่ถือว่าตายแล้วสูญมืดจนไม่รู้จักบาปบุญคนโทษไม่ได้อยู่เมื่อฟ้าอาการศอยี่ใจของตัวเองนี่ผู้ที่ถือว่าไม่มีบาปมีบุญนั่นละนรกขุมมืดตัวพระลกขุมมืดไม่มองเห็น คุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเป็นเมืองเครื่องของคุณพุทธธรรมสงฆ์หมดเพราะพุทธธรรมสงฆ์วันทุกวนสองสอ น, นั่นเทอมุนแล้วเข้าไปอยู่ใจสาบายแล้วลุไปไปอยู่ใจใจเอ๋ยใจเอ๋ยเธอได้เคยให้ทานแล้วไม่ฉินหรือไม่เธอเคยได้ทําดีแล้วไม่ถ้าใจาได้ทาดําดีใจก็ตอบใจได้ ถ้าใจไม่ได้เคยทำเลยใจก็ตอบใจไม่ได้ถ้าใจเคยทำเถือนบกใจจะโกงพวกรมตนเองก็โกงมาได้ในโลกนี้มันมีอะไรรู้เท่าใจใจมันลูลเองมันทีนี้บางคนที่นี่นักคนหนึ่งเขาเขาปฏิบัติคนเดียงคนหนึ่งเขาปฏิบัติเขาเคยเป็นเมียในอาเภอ แล้วมาเข้าใครชื่อครัลวงปู่บ้างเคยมาสนิทสนมครับหลวงปู่ท่าลวงปู่ก็เราฟังเลยชอบใจฟังชอบเอาไปลด้ไปปฏิบัติเมื่อฆ่าสัตรูถ้าวันไหนเป็นวันพระไม่ไม่ไม่หาอาหารเท่าไหร่เพราะคนแยกงกันไปทางเนี้ยแค่ว่าอย่างนั้นวันไม่วันพระเราอดจะตายเค่ว่าอย่างนั้น แกเอามาธรรมราทวันพระที่นี่มีคนหนึ่งเทียงกันอยู่เด็กเด็กประมาณประมาณเจ็ปีผู้ใหญ่เทียงกันเด็กคนนี้ตื่นขึ้นมาแล้วมันไม่ล่างหน้าเทียงกันอยู่แต่มันเฉยอยู่แกตอบเขาอย่างนี้จะไปเทียงกันทำไม ร่างหรือไม่ล่างมันก็รู้จากมันอยู่แก่พูด <c oughs> หมดเสียงเลยพวกกันอันนี้พวกมันกันเราเคยว่าให้พวกมาเอาพุทธศาสนาเหมือนกันพู้ที่เข้ามาในพระพุทธศาสน า, ศายังมนุษยธรรมสารสรรมธรรมพรมธัรมนิพพานบัร ม, ร ม, ร ม, ร ม, รมรหรืออะไรอะไรก็อยจาไปถามคนอื่นก็ถามตัวเองขอบุญหังนั้นทําดีทำชัว่วเขาอยญาไปถามคนอื่นก็ไปถามตัวเองนัอง เพราะพระธรรเป็นสันติทิโกผู้บรรลุก็เห็นเองผู้ไม่บรรลุก็เห็นเองก็นี่เป็นหลักของพุทธศาสนาเนี่ยฉะนั้นพระพุทธศาสนาจึงไม่บังคับให้คนเชื่อให้มีสิทธิ์เชื่อเองถ้าบังคับให้เชื่อเอาเงินจ้างเยอะบอลกันมันก็ขบวคืนถูกหมอืมมันเห็นเองมันจึงไม่ขบวนคืนเนี่ยฉะนั้นจึงมีสันติทิโกคําว่าสันติทิโกในทางพุทธศาสนา เรหมายอาพรสวสดาบาลเป็นประมาณถ้าไมายนอกกว่านั้นลงมามันก็ฟันเสือมากเช่นยกอุทธรนเพราที่เขารักจกจกหอ่อเขาก็เป็นสันทิษฐิโกเขาก็เห็นว่าเขารักจกจกหอเหมือนกันเขาจะโกของพวกลมชักเพียงไหนก็ตามเขาก็รู้ว่าเขาเป็นผู้รักอยูอ่มันเอาเป็นกฎเกณฑ์ไม่ได้สันทิษฐิทโกในทางพุธศาสนาะไมายเอาพระสวสดาบาลเป็นเกณฑ์ไป ท่านมีเส้นห้าบอลลูนพระโสดาวันถ้าอยากได้พระโสดาวันก็พากันเอาในวันนี้ก็ได้เอาเดี๋ยวนี้ก็ได้หนึ่งมีเส้นห้าบอลลูนไม่เช่ไดอยากลวงละเมิดสองไม่เช่ไดอยากลวงละเมิดอาบายามุกอาบายมุกทุกประเภทไม่ใช่ไดอยากลวงละเมิดถือว่าเป็นทางคิวไานตรงตรง ไม่ใช่เราอยากล่วงเลยทีนี้การค้าขายของม่ตอเองหนึ่งค้าขายมนุษย์สองค้าขายสัตว์เป็นแลนเนอร์สัตว์ตัวข่าพอเป็นอาหารค่าขายน้ำเมาค่าขายยาพิษการค่าขายห้าอย่างนี้หนึ่ค้าขายเครื่องป่าค่าขายมนุษย์ค่าขายสัตว์เป็นแลนเนอร์สัตว์ที่ตัวค่าพอเป็นอาหารค่าขายน้เมาค่าขายยาพิษการค่าขายห้าอย่างนี้พระโสราวันไม่ใช่เราจะเขาตอบเลย ถ้าโซดาบันไม่ล่วงละเมิดสามีและภรรยาของตัวเนู้เขาจะสวยจากเพียงไหนก็ตามไม่ล่วงละเมิดเขาจะให้เงินเกินเตรียมแต่ร่าแผ่นดินก็ไม่ล่วงละเมิดนี่กลุระโซดาวันถ้ามีผู้มาทำผิดจริงโซดาวันก็เสียใจอยู่ โกรอยู่แต่มาถึงกับอาฆาตมึงเถอะไม่มีไอ้พระโสดาวันกูไม่เอามึงเหลียมหนึ่งกูก็จะเอามือเหลี่ยมหนึ่งเหมือนกันไม่ได้นึกในใจอย่างนั้นพระโสดาวันนึกในใจว่าจะนึกให้คนเห็นหรือไม่เห็นก็ตามจะลกให้เขาเห็นหรือไม่เห็นก็ตามอยู่ข้างในของแก่แกไ่ไม่ปกไม่มาอดเวรอาฆาตจองเวรูกเกลก็บไม่มีไอพระโสดาวันสาธุถ้าหากว่าเราเคยทำํำเขาแต่พบก่อนชาติผ่อนมา ก็ให้กันแล้วแล้วกันไปเสียถ้าเราเขามาก่อใหม่ก็ให้แลวกันไปเสียถ้าเราเคยก่อเขาแต่ชาติก่อก็ให้แล้วกันไปเสี ย, ย, น, สยนึกอย่างนี้พระสุรดารังถ้าเขามาก่อใหม่ก็ให้แนวกันไปเสียข้าพเจ้าจะไม่ตอบ ท, ท, ทันทีแต่มีโกรธอยู่กัรโกรธ น, นั้นมันมีเบรกแล้วถ้าเป็นรถก็เป็นรถมีเบรกไม่ถึงกับจองเวรและไม่ยอมซือศาสราอื่นไปวัดไปว่าง เขาผ่ารักษาเส้นหน้าก็ะสวดาบาลก็รักษาปานาก็ปานาด้วยเพื่อรักษาสังคมแต่ความจริงพระสวสดาบันไม่ได้สงสัยว่าศินของเราไปที่ไหนแต่รักษาสังคมต่างหากเขาพอเอาสินก็เอาแต่ความปารถนาของพระสวสดาบันให้ทานรักษาสินภ า, านาอะไรก็วังเพืคนทุกข์นวัฏฏะสงสารสินเดียวเท่านั้นเพราะข้าพเจ้าคนทุกข์ในวัตฏะสงสาร และค่ายกับพระเจ้พาพินิสารเดินจงกรมวันไหนวันนี้น่กว่าจะเอาพระสักคาคามีแต่ว่าพระสสดาบันท่านได้แล้ววันไหนก็ได้นึกว่าจะเอาพระสักาคาถามีอย่างนั้นฉันเอก็ดีท่านให้ทานนักสาสิินพอนาะท่านหวังตัวคนทุกข์ในวันต้องสารเสียงเดียวปัญหาของท่านมันก็มานีมน้มากพระสวสดาบันเหตุนั้นจึงว่าพระอริยบุคคลทั้นที่หนึ่งท่านตน ขั้นที่สองที่สามที่สี่ที่ไปถึงพระอรหันต์เมื่อได้พระโสดาบันอยู่ในจิตใจแล้วพระสักระคาามีอนาคาามีก็อยู่ในอุ้งมืองอุ้งมือจิตอุ้งมือใจอุ้งมือสติอุ้งมือปัญญาเปิดขั้นทางเลยมองเห็นฝั่งริบบี่รี่ฝั่งทะเลข้ามทะเลหลวงไม่มาเกิดแก่กค่ตายอีกยินดีในะพระนิ涅槃สิยงเดียวไม่ได้ยินดีในะทางอื่นทำบุญให้ทานเข้าไม่ทัดปัดเส้นหนึ่งก็ตาม พระโสดาบันยินดีในพรัตถิพานสิ่งเดียวตอนนั้นไม่ได้ยินดีว่าขอยห้ข้าในเลขตัวดีๆไม่ไม่ได้ยินดยงนั้นเรื่อถูกของพระโสดาบันเป็นอย่างนั้นถ้าข้าข้าฝันก็ขอให้ฝันเห็นพระราหันล้วท่านมาเทศน์ให้ข้าฟังเพื่อให้ข้าพ้นทุกไม่ได้หวังฝันหาเรื่อท้าผาถูกไหมนั <c> ้น <oughs> พุทโธก็พุทโธเพื่อคนทุกข์ในวัดตาสงสารไม่ได้หวังพุทโธเพื่ออันอื่นธรรมโธก็เหมือนกันสังโโก็เหมือนกันแม่ทานรักษาสิทธิภาวนาเหมือนกันมากก็ตามน้อยก็ตามปรารถนาเพื่อคนทุกข์สงศารในวัดตาสงสารไม่ได้หวังอันอื่นไม่ได้หวังมาเกิดแก่เก็บตายในวัดตาสงศารนิ่นานนั่นผูกของพตัวดาวันพอเห็นโทษในวัดตาสงสารอย่างเต็มที่แล้ว ไม่แต่แก่แต่เก็บแต่ตายมันลุ้นฐานปืงข้าพเจ้าต้องการจะออกแล้วเตรียมตัวจะออกแล้วไม่ได้เตรียมตัวจะออกจะอยู่ก็หมองแล้วจะลาออกกลากที่ประชุมโลกแล้วมีกิจหนักไปในทางพระนพ涅槃นี่ว่าพระตัวดาวันเพราะเห็นภายในวัฏฏะสงสารอย่างเที่ไม่มีใครมาโกหกพวกลมได้เพราะเกิดมาเห็นแต่แก่แต่เก็บแต่ตายเห็นแต่สิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาทั้งนั้น ข่าวหนังสือพิมพก็คือข่าวทุกงานเองข่าวเกิดก็คือข่าวทุกเพราะมันมาเพื่อนมูดเพื่อนโคตรอยู่มันเกิดมามันร้องไห้มันจะไม่ได้มามันจะได้มาผ่านกองทุกพอเกิดมามันก็เพื่อนมูดเพื่อนโคดแล้วมันก็ดอาด่าด่าด่าอยู่มันร้องไห้มันแสดงโชคของมันไม่ดีแล้วโชคเกิดเหตุการณ์ถึงว่าชาติพิกิตรขาพระบรมศาลา เทพคํำยาท่านนถูกมัดใจรกรถานชาติพิทุกขาเนีชาติเป็นทุกเน้อถูกหมดแล้วเมื่อเห็นชาติเป็นทุกเน้ออย่างนี้อดีตก็ทุกเน้ออนาคตก็ทุกเน้อมันก็อ่อนใจอ่อนใจในชาติในีภพถ้ามันเห็นจริงถ้ามันได้ยินเคยชินหูกัดปาก้วนแก้วเจ้าขากินข้าวข้าวก้วยมันก็มันเป็นปัญหาแล้ว ถ้ามันสลดสังเวชแล้วมันมันก็เป็นธรรมะการทของพระพุทธศาสนาจะเป็นกินตกวีเพื่อแต่งความจริงให้เขื่องเพื่อให้แพร่ในเชิงาตาสเปรย์ในข่าวตาถ้าว่าไม่เป็นที่สลดสังเวชแล้วก็สู้ภาสิทธิ์คเดียวไม่ได้ภาสิทคําเดียวที่ทําให้ละอาในวัตตาสงสารได้ภาสิทธิ์อ น, นั้นเป็นตัวศิน แ่เป็นตัวสมาธิแท้เป็นตัวปัญญาแท่เป็นตัวพุทธธรรมสงฆ์แท้เป็นตัวไม่รวงโลกหรอ ก, กินขนมอีกด้วยตัพเพดานั้นเข้าใจไหมล่ะที่นี้เข้าใจ <c oughs> อะไรนะทีนี่พกกนนะ่ะทำาะไต่อไฟอะไรไหวใช่ไหมทํอ่ก่อถวายธรรมะป้องก ที่เล่นการพนันให้เป็นพ่อเรียนแม่เรือนงมูลุผู้ศินมุรุษผู้ศินเล่นการพนันเป็นพ่อเรียนแม่เรือนจะมีเงินกี่ล้านก็มาไม่ไววหวก็ต้องจีบหา้หมดต้องรลดเสียดีกว่ า, าก็นึกว่าไอ้จิตเราก็เป็นกุศลนี้อยากให้บุญได้ความสุขอย่างนี้ท่านไม่าจอดเข้าในกุศลท่านไม่าจอดเข้าในกุศล คค่าขายมนุษย์ค่าขายสัตว์เป็นในเนื้อสัตว์ที่ตัวค่าเขาไปตัวเปนน็นอาหารค่าขายน้ำเมาค่าขายยาพิษการค้าขายห้ายอย่างนี้ไม่จัดเข้าในพระสวดารวันพระสดารวันชุปพระเทพนุอย่างไปเรียนเลขมันไม่ถูก <c oughs> ไม่เรียอรมาญมุกอบมาญมุกไม่มีในพระสดารวันเห็นโทษไม่ใช่ได้อยากจะล่วงละเมิดเลยเห็นโทษเป็นล้วน ถ้ายังเห็นเป็นว่ามันจะมีประโยชน์อยู่มันก็ไม่ใช่ประโยชน์ธรรมะต้องเห็นมันเป็นโทษแล้วลอื น, นแค่คลายกับเราเห็นไฟไม่ได้สงสัยว่ามันจะอบอุ่นไม่ไม่สงสัยว่ามันจะเป็นอันอื่นนอกจากมันร้อนไปมันเลย็จะให้ความอบอุ่นเป้าไม่ได้ไ ม, ไ, ดไม่มีฐานอุทธ <laughs> ไม่มันอุทธรณ <laughs> ์กระจายแจ้งอไอย่างนี้นมัน ข้องใจเพราะบางครั้งก็คิดได้เราก็คิดดีนะเราได้มีเงินเราก็ต้องช่วยก็มั่อะไรมั่งอย่างเงี้ยมันก็จะมน้านั่ว่ามันเป็นทางเจริญพระบรมาสนาคณะโงอนุญาตมันเป็นทางคลิปสายไม่มีสารอุทธรณ์ดังนั้นท่านเะตัวห้ามครับต่แต่แต่แต่มต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่แต่ต่แต่อต่อต่แต่แต่แต่ต่ ที่เมื่คนมืงถวายแลว้วก็ตั้งจิตเป็ น, นตัวสูงก็ใช้แรงมือกกันก็นใช้แรงมือกนทีนี้เขาเอชันดอนทางลูกนางมัทซีไปอยู่ในป่าไม่ได้จับเลยก็ได้มาเป็นพระพุทธเจ้าของเรานางมัทซีก็ได้มาเป็นพระหันเป็นราพินป่าม่ได้เห็นได้จับกัน บางท่านบอกว่าขวเมียไม่ไม่อยู่พร้อมกันให้ทางนักล้าสินไม่ให้ทางอะไรมันไม่ได้บริบูร์เขเวศสัตยรอได้บริบูรณ์นี่ได้เป็นเขเวกสัตย์รอดได้เป็นระสมัาพระพุทธเจ้าของเราพอมาแล้วกาะลูกจากกวาหมายการลวกอนโมทนาเรื่องการละตัวะรื่อง ทำเพื่อความเพียงกันเฉยๆดอเพื่อแสดงความเพียงเพื่อแสดงความดีใจ้่ยกันแต่ว่าเมื่อดีใจ้วยกันแล้วพอใจต่ยกันแล้วไม่จับก็ไมเป็นปัญหาเข้าใจไหมตรงนี้เช่นหยาน้าเหมือนกันถ้าเราพอใจแล้วเราไม่อยากน้ำก็ได้สมุนเนี่ตรวน้าตรวตัวน้า แล้วม่ตรวจก็อะไรตัวก็คือตรวจหน้าจิตหน้าใจของเราเองจิตเตอร์ที่ฐานว่าเราอุทิ่วนใ้ใครไม่ได้ถูกไหมรับาว่าตรวจหน้าก็คือตรวจจิตตรวจใจของเรามีความใจใส่สต่าอยู่แล้วเขาเรียกว่าตรวจตรวจน้าน้าคือน้าจิตหน้าใจของเราเองแต่ว่าเอาน่ามันนั่นออกเป็นพยานเฉยหรอก เปพยานถ่ายออกน้ำเลยแล้วทาบุญไม่ตรวดน้ํามันเป็นไรไม่เป็นไรแต่เราทำบาปแล้วก็ไม่ในตัวน้ำให้มันบาปรู้ไหมเราลับตายอย่างนี้ในตัวนน้าให้มันมื่อไหมเราลืมตายอย่างนี้ในสวน้ําใครมันเห็นไหมน้าอันนี้มันเป็นตัวจริงแท้อันการตรวจน้ําน่ะตรวจเพื่อเป็นสันติวิธีเพื่อเอาน้ําเป็นพยานเวลาข้าพเจ้า ให้ทานรักาสินพภาวนาข้าพเจ้าก็มีน้ำใสใจดีเหมือนน้ำนี่เนะอเมื่อเวลากำลังทานรักาสินพภานาขบันกัรหรือทำแล้วขบันการน้ำใสใจกิงเหมือนน้ำนี่รกไปตรวจน้ำลองเป็นพยานแต่เมื่อก็มันมีในนี้บริบูรณ์แล้วเขาไม่ต้องเป็นพยานใะค่ไม่เป็นพยานให้มันเนี่ยมันทำดีมันก็รู้จักมันมันชั่วมันก็รู้จักมันอยู่ใครไม่เป็นพยานให้มันไนะม่หลวงสูทธาม่อบอาชีพยานี่อว่าได้ค่ะแตม่ฆ่ า, า, าข า, า, ายสัต หมูวัวเนี่ยเราไม่ฆ่าเองเราไปรับเข้ามาขายเงี้ยวันนี้จะไปทำต้องแม่บาปดอกแกว่าอย่าไปสั่งเขาไว้พ <c oughs> รุ่งนี้จะเอามากเขาให้ให้จะนั้นไม่ได้เปิดไปหลานเสื่อของเขามันยังท่าลเราเก่ามันไม่ยังเราไก็เอ้ไปจะไปสั่งเขาพรุ่งนี้ดิฉันจะเอาท่านั่นรอเท่า น, นี้รออย่าไปพูด <c oughs> ถ้าไปพูดอย่างนั้นเ็จะกลับไปบอกให้เขาฆ่า เขาไมบอกเขาเราไปสั่งขาเราไปนับ<ด>เงินาขาแล้วอย่างนนในกรณีที่บอกว่าจะรักษา บ, บ้านได้จะรักา บ, บ้านที่แบบปลวกแมลสาลหร่าไม่ได้ให้ให้บริษัทมทันมามาที่กจาจัดปลวกแมลงที่บ้านมานี้เราจะสังเขาว่าไงที่จะให้เราเชื่อาหรืโง่แย่ไมนขึ้นใจวกมันขึ้นมันมันมันขึ้นบ้านเราหรืออ่ะ ต้นเสาใช่ไหมประมาณสักิบนาทีมันก็ลงประมาณ่ิบนาทีมันก็ลงเพราะมันได้ยินเดี๋วเอาอนกุ้งอกอย่างนี้อย่าไปเกาะจุตัวมันเดี๋ยวมันลงมันลงหมดแล้วเราวน้ <adopting tennis> <assumed>. ่าเคใส่น like like ้าเคใสน่าโเทใสเอแล้วก็แล้วก็เอาน้มันมาจําใช่ น้ำเทใส่ให้ให้ให้ห ม, ใหมันเป่วยออกดินดินที่มันดินที่มันจับมาที่ที่มันเป็นโพรงจะมาให้มันออกนะตัวเขามาลงแล้วมันนลไม่ขึ้นไปหรอกคอยอย่า้มันลงนะฮะทีนี้รับศาสน้าใส่ทีนี้แล้วก็สารน้าใส่ศาสน้าใส่แล้วเพื่อพื่น้ําแห้บ้าง เราก็น้ามันก๊าดนรือน้ำมันอะไรน้ำมันดินมาใส่เส้นหวแล้วก็ดอกเราอย่าไปเอาไฟรนมันขึ้นเยอะอะฮะขึ้นโอ้กลอบจะบ้านกือบจะต้องเนีมันก็ยังอยู่ตั้งงาอยู่อย่างนั้นขึ้นเยอะมากเนี่มันทดทำไงกัดอะไรเข้าของทั้งอันก็จนจนใจมันกขึ้นใจมันว่ามันมากเกินไปจนใจแค่ไหน ผมไม่รู้วิจักวิธีจะบอกนี่มีขึ้นไปแล้วมันขึ้นราคาแล้วนี่เราปล่อยให้มันขึ้นนี่เราปล่อยให้มันขึ้นมันขึ้นมากแล้วเราจึงจะไปไลมันมันก็ไหลแล้วจนใจเต็มทีแล้วถึงเาตั้งจิตแล้วก็บอกว่านี่ก็จะรับรราเขาก็ไม่รับสาวนะเขาก็มีแต่จกลพรนั่นะ บอกไม่มากไม่ไม่ใช่คนเกียริือบ้านของเราก็มันมีไม้ด้วยมีไม้ด้วยตรงส่วนที่เป็นไม้ตรงนี้ตู้เตออะไรทั้งตทั้งตเปลือักจับไม้มันอยากใช้เราทำบานใหม เราไปรักษามันไว้มันขึ้นมากแล้ว <S <S <S คือข้าวภญษาเนี่ยคธรรมดาเข้ามาดูแลประจำพอข้าวัญษาก็ไปตัดต้อบอกว่าข้าวภาษานีมาทําอะไรนะพอออกไปตหมือนินโอถ้างนั้นหมายถึงต้องรักษาพระท่านก็ปรับอัตบัตรเหมือนกันถ้ามารักษาถ้ามารักษาต้องรักษาการฆ่าตัด มันมีอยู่น่งรู้สักว่ามีรู้สักว่าสัตว์มีชีวิต่สองพยายามฆ่าสามสัตว์ตายตามความประงมงนี่อะกันเพื่อมาให้มันขึ้นเฉยๆเราไม่เกียกนายจะ ต, ตามันก็คงไม่บาปมาก